ประวัติย่ออาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461เข้ากรุงเทพมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ตั้งแต่อายุ13ได้ศึกษาบาลีวายากรและแปลธรรมบทจนอายุ17จึงได้บวชเป็นสามเณรและเพียงพรรษาเดียวก็สอบได้ป ร, ริญญาสาประโยค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 เช่นพระอภิธรรมรวมถึงแบบเข้าใจง่ายภาษาง่ายง่ายโดยเรียนรู้ธรรมะผ่านโลกของโอปปปาติกะหรือโลกหลังความตายซึ่งเป็นการเขียนด้วยการอิงหลักตามพระไตรปิฎกที่ท่านเชี่ยวชาญอย่างมากไม่ได้กล่าวลอยลอยขาดเหตุผลแบบงมงายการอธิบายยังประกอบไปด้วยงานวิจัยของต่างชาติและบทความแปลจากทั่วโลกเพื่อแสดงเหตุผลประกอบให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ว่าโลกน้ามีจริง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 เป็นผู้ดำเนินการตรวจชำระคัมภี์อัทธกถาดีกาซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกและได้ส่งมอบให้กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตรวจชำระและจัดพิมพ์ได้เสร็จแล้วถึง47คัมภีเป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในพระธรรมอย่างละเอียดและถูกต้องเปรียบดังได้มอบสมบัติอัล้มัมฆาไว้ให้กับพระเนนและพุทธศาสนกชนไทยเลยทีเดียว อาจารย์พรรัตนสุวรรณจากโลกนี้ไปทั้งที่มีงานที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระศาสนาอีกมากมายวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักรา2536สิริอายุได้74ปีหากท่านใดสนใจศาสนาพุทธแบบเข้าใจง่ายละเอียดครบถ้วนทุกแงม่มุมถูกหลักการและเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งตาราในเชิงลึก และสําหรับผู้สนใจเรื่องโลกหลังความตายแบบสนุกไม่งมงายได้สาระสามารถติดตามงานเขียนที่ทรงคุณค่าของท่านได้ที่มูลนิธิพรรัตนสุวรรณหรือสํานักค้นคว้าทางวิญญาณสาเสรนซอยหนึ่งโทรศัพท์029772750 022822025วัดมหาธาตุ02 6กส6งสาหนังสือทุกเล่มจากครูบาอาจารย์ทุกรูปผู้อ่านหรือโจโฉหรือผมเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสํานักใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและก็เนื้อเรื่องที่นํามาอาจเสียงนะครับเพียงแต่เห็นว่าเนื้อหาที่นํามาอาดเสียงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังจํานวนมาก ก็เลยนำมาอ่านเสียงเผยแพร่เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือเท่านั้นนะครับดังนั้นหากท่านใดสนใจรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆก็กรุณาติดต่อกันเองกับเจ้าของผลงานหรือสำนักนั้นๆได้เลยนะครับจเจริญในธรรมครับ